ไปขออธิบายเรื่องการใช้เสียงเพลงเป็นมีปัสนายานโดยความจริงมีปัสนายานนี่แปลว่ายอมรับนับถือตามกฎทุกความเป็นจริงเนื่องากว่าเราจะพิจารณากันไปเรื่อยหาจุดจบไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางก็จะกลายเป็นวิปัสไตายนา นวิปัสสานาไปไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์การที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่าบ น, นบรรพิบารมีคำว่าปรมีก็แปลว่ากำลังใจเข้าถึงจุดจบ ง, ง่ายๆเขามีวิธีปฏิบัติต้องรวบรัมวิธีปฏิบัติให้มันกระชั้นเข้ามาโดยถือสังโยคสิบเป็นสายเดิม เราต้องเดินทางตามสายนั้นถ้าไม่เดินทางตามตามสายของสังโยชิสิท์อันนี้ไม่สมเร็จผลเป็นอนวุวาวิธีปฏิบัติใช้เสียงเพลงเข้าสัโยาสิทธิ์แงโยชิสิท์พระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารไม่มีในเราเม <c oughs> ื่อเราก็จับเสียงเพลงเข้ามาว่าเสียงเพลงเนี่ยเป็นเป็นเราหรือว่าเราเป็นเสียงเพลงตอนนี้ต้องพิจารณาให้ชัดว่าเสียงเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา เราก็ไม่ใช่เสียงเพลงเสียงเพลงก็ไม่ใช่เรา <c oughs> เสียงเพลงมันเป็นเสียงสัมผัสจากวัตถุถึงเมื่อจะใช้ลมเป่าก็ลมเป่าวัตถุใช้ซอสีก็สีวัตถุใช้ไม้ตีก็หรือเหล็กตีก็ตีวัตถุเป็นว่าเครื่องดีดสีตีเป่าดีดแลียก็สี แล้วก็ตีแล้วก็เป๋ามันเป็นเสียงเพลงควาจริงจะเสียงเพลงนี้เราจะบังคับบัญชามันไม่ได้เมื่อเสียงเพลงที่ไฟร้ะแบบนี้เธอจงบันเลงต่อไปอย่าขาดสายเราก็บังคับให้เป็นเป็นไปตามนั้นไม่ได้หรือว่าเสียงเพลงนี้เจ้าจนเบาลงเจ้าจงสูงขึ้น จงดังชัดจงดังไม่ชัดแผ่วเบาเราก็บังคับไม่ได้ที่ว่าบังคับไม่ได้เพราะว่าการสีเป็นไปตามนั้นและบางทีเราก็บอกว่าเวลาที่เราหลับเสียงเพลงจนหยุดเวลาเราเตือนข้นมาใหม่ใหม่เสียงเพลงจงมันเลงต่อไปทันทีที่เราเตืนเสียงเพลงมันก็ทำไม่ได้ นอกจากว่าเราจะใช้เครื่องบังคับกลไกบังคับมันเ้าไว้แต่เ่อเครื่องจากคนหลายที่เราสั่งการบังคับมันก็มีการสิบหลอมันก็มีการเสื่อมมันก็ไม่มีการทรงตัวในเป็นอันว่าเสียงเพลงนี่มันไม่ใช่เราจริงๆเสียงเพลงมันก็เป็นเสียงเพลง ดนตรีมันก็เป็นดนตรีเครื่องดนตรีเป็นอย่างหนึ่งเสียงเป็นอย่างหนึ่งเสียงนี่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสทางหูเป็นอันว่าเราอยยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เราก็จะเป็นหลงไหลฝ่ายฝันมันเพอประโยชน์อะไรเอามันเป็นครูพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปมันสลายไปในที่สุดมันเลงขึ้นมาในเบื้องต้นของเพลง มันเลงเรื่อยๆไปมันก็ใกล้จบลงไปทุกทีนี่เรียกว่าเสียมไปในในที่สุดอาการจบของเพลงก็ปรากฏก็เรียกว่าสลายตัวไปเป็นอนัตตาในการติดใท้เสียงเพลงเป็นสุขและเป็นทุกข์ความจริงถ้าเราจะคิดกันตามธรรมดาธรรมดาเขาชาวโลกก็คิดว่าเป็นความสุข แต่ว่ามามองจะไปทีเพลงปัจจัยเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะชอบฟังเพลงและเมื่ออารมณ์สบายเท่านั้น <c oughs> อารมณ์เราต้องการบางครั้งเราต้องการฟังเพลงเพลงปรากฏล้วก็ฟังเพลงแต่บางขณะเพลงจะสร้างความลำคาญให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อความนลำคาเกิดขึ้นมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ มันก็เป็นทุกข์ในการบรรเรงเองถ้าบรรเรงได้ตนเองใ้การบรรเรงเพลงได้ตนเอ ง, งนเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราใช้ดีบมันก็เมื่อยมือใช้สีมันก็เมื่อยมื อ, ม, ม, อ, ม, อมันก็ปวดหลังใช้ตีก็เมื่อยมือปวดแขนใช้เป่าก็เหนื่อยใช้ลมอ่ะ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 ถ้าเราติดอยู่ในเสียงเพลงอย่างที่ว่าเพลงเป็นของคู่ควรสำหรับเราเราก็จีว่ามีป้าธันในขันยึดมั่นอยู่ในเสียงในรูปเสียงใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเรื่องของกา ม, มารมมี่เราติดอยู่ในในไานของกิ่เลนเราก็ตกล ง, งไปที่ไป แต่เขมาม่โยนเพลงทิ่งไปไม่ใช่เราหนีเพลงเลือกเพลงเข้าวันหนีเราไม่ใช่อย่างนั้นเรายังฟังเพลงเรายังมันเลงเพลงอยู่เราแต่งเนื้อเพลงเนื้อร้องสําหรับเพลง <c oughs> เราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าขณะที่ทําก็ต้องคิดไว้เสมอว่าการทําอย่างนี้มันมีสภาพไม่สงตัว คนทำอย่างเราตายเหมือนเราตายไปแล้วไม่รู้ทําไม่รู้กี่คนเสียงเพลงแบบนี้ที่คนฟังมาแล้วตายไปรับไม่ทวนเนื้ อ, เ, อ, เ, อเรื่องของเพลงทำนองเพลงก็ดีไม่คงที่มีการถูกดัดแปลงอยู่เสมอมันเป็นอนิจจงหาความเพียงไม่ได้บางเพลงที่คนโบราณแต่งไว้ว่าดีแซนดีก็สลายไปแล้วมันก็เป็นอ น, าานัตตาคนรุ่นหลังบันเลงไม่ได้ สลายตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดท่าเพลงเป็นสมบัติของโลก <c oughs> ในดินแดงของผรมและดินแดงของพรนิพพานไม่มีเสียงเพลงท่านมีความสุขไดารมสงัดรสจากตอามิตรคือการมาคุณตอนนี้เราจะหนีเสียงเพลง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 เราก็ต้องพยายามทําใจของเราคิดว่าเราจะไม่พบกับเพงอีกที่เราจะไม่เกิดมาพบกับเพงอีกอินแดนที่จะไม่พบกับเพลงก็คือดินแดงของพรหมและพระนิพพานในการหลบไปอยู่พรหมมันหลบโชคราวไม่ได้ไปเลยต้องไปพระนิพพา น, นการที่จะไปพระนิพพานเราไปยังไงมันก็เป็นของไม่ยาก เราก็ยอมรับนับถือคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจนารณานอย่าฟังและก็เชื่ออันนี้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นคนโง่ฟังแล้วต้องคิดตามโดยท่านบอกว่าเสียงเพลงตัวอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกลูกเลย มันเกิดขึ้นบันเลงขึ้นได้มันคลานเข้าไปหาจุดจบเสื่อมลงไปทุกทีในที่สุดมันก็จบเพลงเพลง น, นั่นก็หายไปให้ตัวหายไปนี่เป็อนัตตาถ้าเราต้องการจะฟังใหม่มันไม่ได้ฟังมันก็เป็นทุกขครั้งทำหน้าที่องความอยากนี่กฎธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดปรากฏว่ามีสภาพเป็นอย่างนี้ ในเมื่อพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ฟังดูว่าจริงไหมเสียงเพลงเแบบนี้ จ, จริงไหมมันไม่เที่ยงทุกครั้งในเมื่อฟังไม่ชอบใจมันเนการความทุกข์ไม่พอใจเกิดขึ้นอนัตตาฟังไปฟังมาคนบรรเลงตายเครื่องดนตรีพังและคนพังตายไม่ก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สลายตัว นี่ใช่ปัญญาคิดในกา้างขวางไปยินน่งกว่านี้และก็อยากพบความดีว่าอ๋อนี่พระพุทธเจ้าพูดถูกแต่เมื่อการติดเสียงเพลงไม่ดีเราจะหนีประนิพันเราทันยังไงเราก็ต้องพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ทำลายสินในตนเองไม่ยุยงส่งเสริมแม้บุคคลอื่นทำลายสิน หรือไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสิแนแล้วถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์มีกิจจิตคิดถึงพนิพพานเป็นปกติถ้าทำได้ทึงเพียง น, นี้ก็ปรากฏว่าเราเป็นปะโสดาบันมีขอบเขต จ, จำกัดการที่จะเกิดต่อไปอย่างเลวที่สุดอีกเจดชาติเราก็เป็นพระอระหันต์ ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งหน่อยอีกสามชาติล้วก็เป็นพระรหารถ้าเข้มแข็งจริงๆอีกชาติเดียวเราก็เป็นพระทหารหมดทุกกันเสียทีแต่นี่ตอนนี้เราก็คิดว่าความเกิดยังมีอยู่ก้าวไปหาจุดให้คนจากสภาวะเป็นมนุษย์แยอะใาิกุมเลยทั <c oughs> นยังไงก็มานั่งฟังเสียงเพลงกันต่อไป เล่นทุกเพลงเป็นเครื่องยั่วย้าให้เกิดทามารมมาเก็บรารบเรื่องความรักความคลอเคลียกันระหว่างสตรีสตรีกระ บ, บรุษสร้างสรรความเป็นมนุษย์สร้างสรรกันอยู่ร่วมเหมือนกับอยู่ในสวรรค์เราก็มาพิจารณาดูว่าเจาเพลงนี้มันเสกสรรคาความทุกข์มาให้เรา พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภาราฮาเวปัญจักคันธาคันทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักเพียงแค่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นบรรยายเต็มไปด้ความทุกข์ร่างกายของเราทั้งกายเต็มบริความสุขกับหลกโสมมคนทุกคนเต็มไปด้ความบริโภคความโศกเศร้ากับหลกหาชิ้นดีไม่ได้ แล้ว yup. ทำไมใจของเราจึงจะไปเห็นว่าเพลงเป็นของดีเพลงเป็นเครื่องยั่วยวนให้เกิดกามารมเราไม่เอาเรองเป็นเครื่องยั่วยวนให้เ yep กิดโทสะเราไม่เอาเราขอตัดอะไรใจอยากเห็นสภาพของคนที่บรรเลงก็ดีเครื่องดนตรีสำหรับการบรรเลงก็ดี คนฟังการบรรเรงคนดีมีสภาวะสุขปรกสิ้นดีและก็ไม่มีการส่งตัวมีการสลายตัวไปในทิสุดทุกคนเต็มไปด้วยความทุกข์หาทางตัดอะไรตายอยากจากคนบรรเลงเปลวจากเสียงเปลวจากคนฟังเพลงเมื่าอายสุขสัญญาคือกายกะคตานิพติกรรมฐานและก็และก็อสุภกรรมฐาน ทำจิตใจให้เข้าถึงความจริงรู้ความจริงว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นของหน้าเปื่อยหน่อยแล้วก็พิจารณาไปในกายรักษยยาญาณมันนอกจากจะสกปรกแล้วมันก็ยังมีความไม่เกียรตเป็นทนาาุกข์เปรียญต่าในที่สุดอารมณ์ที่มีความก ล, าล้าเบิกบานหนักกามราคะมันก็จะสลายตัว <c oughs> นี่เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองของใจอยากโลรกคนบรรเลรงเพลงต่รเขาบรรเลงให้ไปที่ไม่ชอบใจเราให้คนที่บรรเลงและตั้งใจบันเลงให้ดีแสนดีอยู่แล้วตั้งใจคนฟั ง, งเปิดเติมแต่ว่าอารมณ์ใจของเราต่างหากที่ไม่ยอมรับฟังเสียงเพลงเพระบางขณะเราชอมรับฟังบางขณะเราไม่ยอมรับฟังบางขณะเราชอบบางขณะเราไม่ชอบ เราจงแยกกฎเครื่องดนตรีที่มันเสื่อมสมรรถภาพตรงที่ว่านั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราแยกกฎหูโปรตายของเราว่ามันฟ้ามันฟังฟังเสียงอะไรขนาดเพราะว่าการทางร่างกายและวัตถุทุกอย่างองค์สมเด็จพระสงร์สวัสดิโสภาคกล่าวว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นปกติจงให้อภัยกับคนที่มันเลงเพลง ให้อภัยกับเครื่องดนตรีที่ไม่เกา่าให้อภัยกับร่างกายของเราที่มันสุดโมทมทําอารมณ์จิตสบายมีเมตตาจิตาอารมณ์แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ, ถือว่าถือว้เสมอว่าคนะกะดีหรือว่าถู ก, ก็ดีเป็นเครื่องที่บรรเลงมันเป็นนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกัน ใจของเราก็สมบายปราศจากโทสะเมื่อการบรรลายแคต่อโทสะไม่ปลากฎองค์สมเด็จพระบรมสุคตอว่าท่านผู น, นั้นเป็นพระอนาคามีตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วเพ่อใหรเพรัว่าถึงพระอนาคามีแล้วเราจะตายเป็นสิณเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามเราก็มีโอกาสนิพพานในที่นั้น เรียกว่ายึดหัวหาดสาคัญได้แล้วเรียนชนะเข้ามาถึงเรานี่ถ้าเรายังไม่พอใจในการพักเป็นเทวดารกรมเราก็ต้องขอบคุณเสียงเพลงที่เป็นครูเราเราเคยใช้เพลงมาเป็นฌานสมาบัติคือเป็นสมาธิฟังเสียงเพลงโดยจิตกำหนดไว้ด้วยดี ไม่ยอมให้เสียงเพลงคลาดข้าจากหูมีการกำหนดรู้ดนใจยอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้เราใช้เสียงเพลงเป็นกำลังสมาธิโดยไม่ใหอารมณ์อื่นเขามายุ่งกับจิตนี่เพื่อความดีในอันดับที่สุดตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรส่งสั่งสอน <c oughs> เราก็จะไม่ยอมยึดถืออารมณ์นี้ว่าเป็นอารมณ์สูงสุด เราจะกิดว่าอารมณ์ของสมาธิจิตที่อาศิตเสียงเพลงเป็นสาคัญจักกาเป็นรูปกรรมฐานในรูปฌานว่าเป็นได้เพียงมันใบให้เราเก้าวเข้าไปสู่พระมิพานเท่านั้นยังไม่ถึงพระมิพานแล้วก็ท้าว่าเราก็ยังคลายเอาความพอใจในอารมณ์ของอรูปฌาน เ่อความจริงรูปประชานเป็นของดีทำจิตใจใละเอียดผ่องใสมีความสุขไม่ติดอยู่เลยกายแต่ว่ารูปประชานก็เพียงเป็นปัจจัยขทข้าปฏิพันยังไม่ใช่ตัวปิพานแท้เราจะก้าวต่อไปและต่อไปเราก็ทาลายมาณะความถือตัวถือตนว่าเราวิเศษกับคนอื่นเราเสมอคนอื่นเราเลวกว่าคนอื่นโยนเึีงไปเสีย คิดเสมออยู่วิทย์ไม่เสมอว่ากฎธรรมดาที่เกิดมาในโลกมีความสม่ำเสมอกันคนแดะสัตว์มีความเกิดในเบต้ น, ตนมีความแก่ในธรรกลาง ม, มีการสลายตัวเป็นทิ่สุดไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครเร็วกว่าใครและก็ไม่มีใครเสมอใคร <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะหน้ากฎของกรรมทำกต่างกรรมต่างบ า, า, าระอาจจะไม่เหมือนกัน ทำใจเราเราท่านท่านให้มีความสุขเห็นคนเป็นค น, เ, น, คนเห็นสัตว์เป็นสัตว์เห็นวัตถุเป็นวัตถุเมื่อเห็นคนเป็นคนก็จงรู้ว่าคนมันยุง่งในเมื่อเรายม่ต้องการเป็นคนมันก็เต็ ม, มไปด้วยความยุง่งเมื่อสภาวะที่ความยุ่งของคนเกิดขึ้นจึงถือว่านั่นมันเรื่องของคน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 คนที่ยังทําตัวให้เป็นคนไม่ใช่มนุษย์เราจะไปคิดสาหาความอะไรเราจะไปเหยียดว่าเขาชั่วมันก็ไม่แน่เพราะนั่งเขาเป็นท้ายของกิเลสตัณหากิเลสและตัณหามันเสี่ยมสอยเขาอยู่ในเขาเข้าไปสูดดายของความทุกข์เรื่องของเขาเราสมัยก่อนที่ยังมีความเลวเสมอเขามันก็เหมือนเขาอย่างนี้แหละ แต่มันเป็นการต่างการรมต่างวาระสิง่งอะไรกั น, น่อยไปใครเขาอยากจะเดือดร้อนก็ปล่อยก็เดือดร้อนไปใครอยากจะตายก็ปล่อยก็ตายไปถ้ามันเป็นเหตุตัวปิศาจใดๆเยไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลมถ้ามารมใจมันสบายที่ว่าอะไรทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันเป็นของธรรมดาของโลกเท่านั้นแล้วก็จะเสียงเพลงแหละ ว่าคนพวกนี้ก็ติดเสียงเพลงที่เพลงที่เมาบางังเพลงหวานบางังเพลงร้าใจบางแ <c oughs> ต่เพลงอะไรไม่สำคัญเท่าเพลงเสยเทยียนไม่รู้จักประมาณตัวเองว่าจะตาย <c oughs> เพลงนี้ร้ายกาจมากที่ทำลายความสุขของปวงชนทั้งหมดเ <c oughs> ะนั้นองค์สมดเด็จพระบรมสุคต สวาจงอย่าติดใจในเพลงและก็จงอย่ารังเกียจในเพลงยาผูกพันในเพลงถือว่ามันเพียงทำกฎธรร ม, ธรมดาเท่านั้นฟังแล้วก็ฟังไปเลิกแล้วก็เลิกไปใครมันเลงใหม่เราก็ฟังชอบใจฟังเราก็ฟังไม่ชอบใจฟังเราก็ฟัง แต่นั่งพิจารณาว่าของเหล่านี้มันไม่จริงนะมันไม่ดีจริงๆเพลงที่ชอบใจฟังแล้วเดี๋ยวมันก็จบมันก็สลายตัวไม่เที่ยงแล้วก็สลายไปเพลงที่ไม่ชอบใจฟังมันก็ทุ้ใจเกิดความไม่สบายใจก็จะถือว่าเพลงนี้มันไม่แน่จริงมันไม่ใช่ปัจจัยของความสุขสบาย วางอารมณ์เป็นกลังยังไงก็ชังมันแั้นเมื่อเกิดมาในโลกมันหนีไม่พ้นในต่อไปก็แวะขเขวหาคคำสั่งสอนองค์ะะสมเด็จพระเทสุ่นสัญญชนอกที่ิก่าวพราอุเจรความพงศ์สนอยากทั้งกำลังใจเท่าห้ฟุกฟันไปอย่างอื่นแต่ความจริงอารมณ์ขนาดนี้อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีแล้ว <c oughs> เหนือแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าว่ากุศลมีสองอย่างกุศลขั้นกามาวจรกุศลอย่าเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปาวจรและรูปาวจรเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอัพยากิตเป็นอกุศลเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งจิตที่เป็นกุศลที่เป็นกามาวจรคือพอใจในสวรรค์ ยังมีการเสร็การประสมเสานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอารมณ์กุศลที่เป็นกามาวจ ร, ร, ร, รอรมปาวจรอรมพาวจรและอรมพาวจรและอารมปะพรมและอรมปะพรมอารมณ์ที่เป็นกุศลด้านสอบาการนิยาให้เข้ามายุ่งกับจิตเราต้องการกุศลอย่างเดียวที่เป็นอัพยาเกตไม่ซ้ายไม่ขวาเดินตรงผนิพานต้องการอารมณ์แห่งความสงบ นี่อุทเทจะในแสงโยกสิบต้องถืออารมณ์อารมณ์เดียวเทว่ซ้ายแหวขวาในแน่งกามาวาจรคือด้านสวรรค์แลรูปปาวาจรด้านคมแลรูปปรคมอรูปปาวาจรอรูปปรมอย่างนี้ชื่อที่ว่าเป็นอุทเทจะยังเป็นอารมณ์ผงซันต่อถ้าหากว่าเราต้องการอย่างเดียวคืออภิญญาสิทธิ์ได้แก่บริพาน เป็นอารมณ์ตรงที่เรียกว่าไม่มีอุจจาะแล้วอันนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงก่าแสพระสัทธรรมทีศสนาขององค์สมเด็จรทวทีแก้วใครจะบรรเลงเพลงอะไรเราก็ฟังได้ไม่รำคาญไม่รำคาญด้วยแลวก็ไม่รังเกียจ ด, ด้วยแล้วแถมก็ไม่พอใจด้วย ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเท่านั้นก็ไปขั้นสุดท้ายแล้วก็จับจุดใหญ่ตัดชันทะากับราคะควาบเสียงบรรเลงพเพลงที่ปรากฏมันเป็นชันทะเราพอใจราคะเห็นว่าเพียงเป็นเสียงสดใสพระสันนิษฐนสดแต่ถอว่า เรากลับเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นเครื่องดึงให้เกิดแก่เจ็บตายปรากฏเป็นแดงของความทุกข์เราไม่เอาจะเป็นเพลงของมนุษย์เพลงของธรรมดาเพลงของผมเราไม่ต้องการทั้งหมดเราต้องการอย่างเดียวตัดอารมณ์จากความโคตรโดตรงคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่านิจจเอย๋ยชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ เชราเป็ทุกข์ขความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์โศลกับวิเทวทุกขโทมณัตุไฟยากความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาฉใจคอและขอชอบใจเป็นทุกข์ก็ในเมื่อเกิดเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะเกิดเพื่ออะไรต่อทีกนี้ไปการเป็นเทวดาคดีเป็นพรหมคนดีเป็นมาได้เป็นมนุษย์ดีไม่มีสระดับเขา อารมณ์ของเราต้องการอย่างเดียวคือความพ้นจากความทุกข์ในแขพระนิพพานนี่ค่ะว่าถ้าเนิหลไรทํ า, าทใจได้อย่างนี้นั้นเป็นปกติพิจารณาไปปัญญามันก็ไขออกไปเองขว้างฟังออกไปเองในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดที่สุดคือพระนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากอาจารยสำหรับที่จะพูดต่อไปเทปหมดแล้วก็กโคออ้าขอเยี่ยมที่วัดเกียรติธรรมนิสวัสดี